กุศลละมูลสามกุศลละมูลสามเป็นมูลแห่งวิวาทาที่ก่อนเป็นฉไนภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุทั้งหลายมีจิตไม่โลภวิวาทกันมีจิตไม่โกรธวิวาทกันมีจิตไม่หลงวิวาทกันว่า หนึ่งนธรรมนี้อธรรมสองนวินยัยน้ไม่ใช่วินยัยสามนต ถ, ถาคตพาสิทธไว้ตรัสไว้นี้ต ถ, ถาคตไม่ได้พาสิทธไว้ไม่ได้ตรัสไว้สี่นจริยาวัตรที่ต ถ, ถาคตได้ประพฤติมานี้จริยาวัตรที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 5. า นี้ตถาคตทรงบัญญัติไว้นี้ตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ 6. นี้อาบัตนี้อนาบัติ 7. นี้อาบัตเบานี้อาบัตหนัก 8. นี้อาบัตมีส่วนเหลือนี้อาบัตไม่มีส่วนเหลือ 9. นี้อาบัตชั่วยากนี้อาบัตไม่ชั่วยากกุศลลมูลสาอย่างนี้ เป็นมูลแห่งวิวาธาที่กอด